เกิดมาจากโคลนต้งเมื่อผลโผลคอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงค่าคุณแห่งดอก บ, บัวในสายทานแห่งการไหว้วนผู้คน มุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลมเปรียบดังดอกบัวนั้นนาว่าจะพลพพนมาอยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคน ไหว้วนพ้นไปจัดการไหวเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบุร เราทุกคนเปรียบเหมือนนอบบวเกลือกลัวคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนว่ายลุ่มล้มเวียนวนวัาต่สงสารกว่าจะพลพ้นกรารสายน้ำเวียนทุกระธม เปรียบเหมือนยอดบัวพลิบานพ้นน้ำสว่างสวยแม่ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใยพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามรอ จะ ล, ลอยพุนหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทาราหนอบน้อมภาวนาบูชาพระมา วันทาพระมหาบุน